หาเจรังวะทายังกายนฟังสาวกอนยาฝ่าวโยโนิเมนพระคาถาเป็นขององพระสัมมาเทศนาสอนไวอ้อาตมาม สิได้ไขว่าคอติธรรมประจําโลกผู้มีโชกสิได้พอไหนฟังขอบอนสแสดผงผู้เทียมื้อสิได้แจ้งแสงสาว่างสิปากโนี่เมืนสุนทรสูตรผทธาองค์รวยแทนอาตรม นั้นท่านก่อนนำมาแลบานัการเล่าพากฝากยงญาติผู้มากแหล่พ่อได้แก้สวงเอาผู้ฟังธรรมพุทธเจ้าหลายหลายเล่านันนจิตได้จิตได้ของข้าใจคนทาง อาหารจางเค็มสมเทศหวานที่ทานแต่งงอมนึอแกงปนเปียงหูต้มมาชีช้เชยอาหารกินผาก พ, พื้นดาดาดืนได้กินกันมาก ไ, ไปไปไปมนหนักตั้งกันไปคูนเสียน ล้างคนกินเพศดใดพองกินเค็มกะโพต้างบางว่าจังเจือสมขมเปรี้ยวตั้งกันการฟังเทศมือนี้นั้นก็คือดังโดยเมือนบางคนเพื่อนเสียงยาวได้เกาวเตือนติสาม ว่าคือล้ําคือลอง่งเพียรทำนองพุทโธวาดประมาทพระผู้เทศจอยสีพ้อยได้บาปได้เวียนนาธรรมะจะต้องเวียนนันเวนียนบาปอาคาตีกรรมตํานิสิเป็นกรรมกิเลสใ น, ในใจแปล บ่ไม่เนีวสิทําให้จิตใจแจงกระจางให้ทําตามนูนแต่เขาบุหันเทาว่าเ้าหลังคือว่าตังแต่ครั้งสมัยก่อนตอนโกมวนพระสงฆ์สาโบประกาศทรรมเพื่อเผยแพ่จุดพระสง์เพื่อหวังแก่ที่ที่โ ในเถือกสงผู้ลังคนนั้นจะต้องในจ่าเว้าก้าวผาเดียงเว้าสันสันโมเดืองบายยมเงียงสู่ตาจเก่าวสาละพันพ์เงาคมกาใจใสจาเกือษาท่าเสียงห่วงเป็นธรรมนอ ก็เสวนาได้สามารถอ่านข้อในอินพ่อนั้นหอมคมผู้เท่าองกระซ่งได้ยุกย่องประเทศของสมหมอแสดงธรรมได้ไพเรองก็มาคงที่ทรงย่อง บอผิดของโรกเทยดแลแล้วได้ออกเกยเสพพิษแน่ตั้งตเตยจังเคยพอบอกค่อยสวยโปรดสาลาเกเดตัวนี้ด้วยอย่าทวงทักหาขานโปรดสงสารกีตคนเพื่อนเขาให้เศร้าเหี้ย การเทศยียงคือจจง ข, อข้อคติธรมตันกาวเยาเยาเพื่อให้ซึ่งถึงใจทานผู้มักเสียงคอยฟังไปสิหผู้เดืองขอเพียงงานมีจานตามกสิเหียนความงามภาคคาถาธรรมสอน เปียนคำก่อเลาวเมืองบ้นการ่านขาเทศนาโนอันอังให้ใจว่างยาบันไหวทนาสัทธาน นเอาละเศ้าพักไว้ประกาศอันทะเลงการฟังมิจารุภาสิทธิยกมาจางอาตมา แลยวังไว้ต้นต้นเป็นคำก่อนเอื้อนอวนว่ า, าจีรังว่าตายังกายอยู่แปว่ากายบ่อยอยู่ยังเงนมันแต่ยังได้ปัสสาวะทวี่เสีสติแม้มจังใดจะต้องได้สินนททับทุมนีน สุทอาเปตาวิญญาณูเหยนยัเงินเพียนพายพันเสพากพ้อยไรลนัง เนรทางว่าขาดิงขาลังหัวะปะมังคนไม่สิผู้พังไงไปยโปปยชนโผดบ่บโบสีงมันสีหันปีนว่าเปลี่ยนแปลงเนล้ะเป็นแกนแทะธรรมศาสตสังขารอยมือ ภาวิจีจาเนื้อเนื้อสีทุกขายหายเลนเคียดบ่เห็นสีมองสาวบ่บันเทา ทุกขเวทฟังเทศของอัตธรมมือนิสติตัง้งต่อตามโปรดยะใดขั้นขามมันเรื่องแก่เจ็บตายสาธทั้งหลายในโลกกาตั้งกะผ้ากันพอม บ่มีไผสินียผลกฎของกรรมธรรมศาสตร์อุสระจะต้องพอพอดามาดังกันเพราะสานั้นในเฮ้ามันพิจารณาเนื้นึ่ง ถึงกายาสังขารคู่สุวรรณเองโซมวางสรรธรุมมสระสรางนานติตุวเขามีความแก่เท่าสรารการธรรมศาสตร์โบสามารถดวงพลนั้นความเท่าแกช่ชนะ นาเตมือสีออนลานาสิลาเสียสผมเคยหนีดำโดกสีงอกแซมแถมซนข่าพอนพอนมืดเกียงหูตากะฟังมืดหนังกายเหย่อนหอยยันอยบะเหยเศร้าเข่ากสีดดแก้มกสีเบาขาเดเข้ากอ็นหดหลัง กะโคดเนียวกะโคดบอยากพันละนะวาวาอ้ผู้เพิเ่นเป็นคนเทาจากดีเนียเน้ยนความแกบออยากพ่อแต่ขอไว้กะบฟังกะบฟัง พญา y a ti ทำบุมีป panya ti ง า, าติตโตพญา a ิก a ti ับรตังคือไข้ปวยเจ็บเป็นไปก็เห็นพัานโพผู้สุวรรบ่มีเด่นโลกเจ็บเป็นเจ็บท้องเจ็บขาเล็ปวดเข่าโรกเบาว่าโลกเ ก, กาเจ็บท้องปวดฟัน โลกนี้นี่นั่นนันมันนักเกิดมีมากเป็นของธรรมดาโมอันนี้ไปพุมีดรือจนสวยดรือเกผู้ใดเโลโอกสิจู พระสง์สามนินกบ็บอกเห็นเสีนพ่อนั่นพ่พผานหูจังสีแด่ยายานาบัดพ่อผ่านลูกข้ามามืองมาพญาทีต่อสตีเตียมตางก็พลังใจไว้มนันนใส่สู่ต่อไปหาหมวยเพื่นสวยบ่ถึงค้า หมดหมดมวไวก็คงยังนั่นอยู่ยังในที่สุดจะต้องพังพาธาบักลูกข้าเมืปัญญาอย่างไงสิภัยพรโยมแพลมเม้มแต่มอก็ยังเย่หมดวิธีธาหอดี่ยาดีดีคือกีลา ไฟเผาเทียแล้วจังหายดานามนบยู่ นนบัดนี้นขเข้าเขตค่ายกำาฟมรานังงานิจังพญทีเทศนามาแล้วยังเส ต, ตายถวนี้เ ด, ดวบ่ท่านแจงแจงทีสะพบานีใ้อันให้สิพอ่อใดว่าไต้ต้อง วาโมรณทัมมุมีโมรณนงอนาติโตสังคาโุกทูกยางตองถึงเตบสะดาดลาศาททั้งหลายตองตายมาหมดหมอละนั่งสิ้น ทถาบมเดียมเสมอเพียงเพียงกันโมลานาดบอดอยู่คำฟาสิวังเมียนมาเปลี่ยนคันความคมตายว่านั้นเป็นของเพียงคงทนคนบ่ตายบ่มีเลยลังดาเฮยควันฟู สีโย่สูงเพียงฝานาทากระเลวเต่าเกเด็กนุ่นน้อยสาวจอยได้เบาเจีทั่วสากลกาปนปีมาจุราชก็ทำถึงเวลาบมดทนฝืนสิคำคืนเว็นเมือ ถือเป็นธรร ม, มดาแทบอมีแปะปินป่นไปดินบอรูดโดกบอร่อกระจำให้เจ้าโพเพ็นพวเางสิลัยห้างเวียนพออ้อให้ากเงียงแพ้แกงสิลัยละซ้ำปนป่าศิลั่ว รวยสิลาจนเนีไก่คนละโลกโบกสิลาจากเบียเมียเสือนเจ้าสังพวงบัวสิไก่จากน้ำวังสิห้างฝุ่งป่าสิงนานนน ซาลาพาสิภาคทอยคุณเมือง น, นักเทศเสียงละไม่ห้อยถอยตัวสิ้นจากที่เซมพระอาจารย์มิจียพระอาจารย์สาเีจังสีกับไปแล้วว่างนี้ นอกจากนี้นักเทศน์ใหญ่หลายองค์เพิ่นกระปุง่งสีดีจากไปทั้งนานไปสวรรค์มุลนเหวลวไร้ลา ทิมโปอยปลาเก็ียน้อยหน่อยก็ไปจ่อยบบวงยังเก่งปันใดก็โมยังยังก็ลวงลานีลดวงผู้สียได้ลาวผู้ดาวางโดยพายโย หลวงปู่ซาก็ไปจอยนีด่ดงพุ่งป่าดลวงพ่อคุณผูกเก่งกากอยยาทิมโบไว้หันหลวงปู่มันหลวงปู่ฟันสาลาหางได้วางหลวงปู่พังเ ด, ล, ด, ล, ด, ล, ด, ดล้านลเน้อดีไหลไพดาวหลวงปู่ข้าวก็เลย ทากองเพื้นคงเขตดวงปูเทศดบัดมากเป็งสลรังบางขันลวงปูแหวนแต่กี่นันไพกะสาหมูซาคุณเพิินกะเสือมีส่วนฝากแต่คุณควันยอง องได้ได้ก็ตายตองบาดถึงเขายัางบ่อยู่ผู้สักเสียิทธิยียมได้โลนกะสังตามหลวงผู้ทวดผู้ยับน้ำทะเลีเจิด จ, จังไห้เพื่อนกบายสังขารตั้งเต น, น่นื้นลาม หลวงพ่อตัผู้ใจปั๊มมนุธรรมสูงส่งเพิ่นกาปงสี่ใเนืยอเทตั้งแต้นหลวงพ่อสดบานปากน้ำผู้สั่งกอ่อธรรมมาไกลเพิ่นกาไวสี่วีฝากแต่ธรรมมันสูงขา้าหลวงปู่มาเทพระเจ้าดุมน้ำสิ ก็จากที่อาตมาผู้กำลังเทศอยู่นี่ใอยมกําลังฟังอยู่นี่บอมีบอสิบอไปยมพอแม่ที่อยู่ไก่เดือไก่หาทั้งไก่อยู่มือ จะต้องไปคือกันให้โตคิวโลบายมีเื่อจนวนให้บอมีภัยสิหามยางผู้อยู่คำฝ้าบอมีบ่ลกโทใหญ่ตัมงแต่ไวเนื่อาการเวลานั้นบอกยากจึงขอฝากทุกท่านวิจ้์ให้แดกไขรผัว หูแล้วนังนวาลวนตั้งแต่สิตายตัวใหญ่ใจให้มันโหกได้ก็กรรมกะทำ ม, วมัวลยาสิ ม, มัวเพิลือเพิลือตัวมุ่นอยู่นีน้หรือสวายกะหูผลันหนักต่างกันเพราะสานั้นในละสวายทำดีแน่เหนือ บาลีใหสะสมสิหุงในกระใจลำกุศลกรรมได้ทำสางเสียนทานเก้าไตทำแต่ดีก็ให้เสียนมงปองตะวันเสียเวทคนว่านั้นบ่มันเพียงเท่ยละค้างนิจจ์ สังขารบ่อยู่ยืนเายอย่างลังประกาทธาตุนตาตมในเงาอววว่าจีรังว่าแต่ยังกา ย, อ, กายา อ, มมอยู่ว่ากายยันมีหมอกคงมันนัอยู่ยืนป่ะเวื่อนงานทเสสยสติสินโน ท่าเพรียนพื้นจมแก่ไปตามกาลสุดทธอเปตาวิญญาณู้ให้วิญญาณไปไกลกัปล่อยวางเสวาเนื้อรัดทางวัคค์ิงคาลัง หัวประมังคนไม่สิผู้พังไงประยูติพันเทศพวดจังเสียกะขอไง ใ, ใครควร เมื่อในีทุกท่านหว่วนผูม้มาหวมงทำบุญที่เกิดควรมาสานธาทานทำตามนี้ปวดทำเนียไว้สิเป็นบุญหนุนสงานิสงส่วนนี้บอกมีสาวว่าเป้าส่น ทำเสี้ยหายจากบุญเสิ่วบุญกาใจเจียดอานิสงบุญเดีนั้นมากมีสิรีดำปวดจงน้ำใจน้อมในธรรมที่เอื่อนแอวอาจิรังว่าตยังกายยูคือหลังอาตมาเทศนาวาแลว ต้ตงทวนสุขบวันในเดือนสัอยูย